กะทุตทาระหนึ่งเหตุโคจกะหนึ่งเหตุทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเป็นชนักุศลละเหตุสามอกุศละเหตุสามอยากตะเหตุสามอโลภะกุศลละเหตุสามอโทสะกุศละเห ต, 3, เหตุเกิดขึ้นในกุศลทั้งสี่ภูมิอโมหะกุศละเหตุเกิดขึ้นในกุศลทั้งสี่ภูมิ ว้นจิตุบาทที่เป็นญาณวิปยุทธฝ่ายการมาวจรกุศลสี่โลภะเกิดขึ้นในจิตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะแปโทสะเกิดขึ้นในจิตุบาทีท่สหรคตรด้วยโทมันะสองโมหะเกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดอะโลภะวิปากเหตุอโทสะวิปากเหตุเกิดขึ้นในวิบากทั้งสี่ภูมิเว้นอเหตุกระจิตุบาทฝ่ายวิบากแห่งการมาวจรอโมหะวิปากเหตุ เกิดข ok ึ้นในวิบากทั้งสี่ภูมิเว้นอเหตุกะจิตุบาตฝ่ายวิบากแห่งกามมวจรและจิตุบาตที่เป็นญาณวิปยุตสอโลภะกิริยาเหตุอโทสะกิริยาเหตุเกิดขึ้นในกิริยาทั้งสามภูมิเว้นอเหตุกะจิตุบาตฝ่ายกามมวจรกิริยาอโมหะกิริยาเหตุเกิดขึ้นในกิริยาทั้งสามภูมิเว้นอเหตุกะจิตุบาตฝ่ายกามวจรกิริยา และเว้นจิตุบาที่เป็นยาณวิปยุตสี่สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นไนเว้นเหตุทั้งหมดแล้วกุศลในภูมิสี่อกุศลวิบากในภูมิสี่อภยกตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุสองสเหตุตุทุกกะสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นไน อกุศลที่เหลือเว้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่สหรคตด้วยอุทจฉาแล้วกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่เว้นอเหตุกระจิตตุบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรอัพยากตะกริยาในภูมิสามเว้นอเหตุกระจิตตุบาทฝ่ายกามาวจรกริยาแล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นไง โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่สหรคตด้วยอุทจจะทวิปัญจาวิญญาณมโนธาตุสามเหตุตุกามโนวิญญาณธาตุหารูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุสเหตุสัมปยุตตะทุกกะสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุเป็นไ น, นอกุศลที่เหลือเว้นโมหะที่สหรตด้วยวิจิกิจฉา และโมหะที่สหรคตด้วยอุทจจะกุศลในภูมิทั้งสี่วิบากในภูมิสี่เว้นอเหตุกกะจิตุบาฝ่ายวิบากแห่งกรรมวจร อ, อพยากะตะปริยาในภูมิสามเว้นอเหตุกะจิตุบาฝ่ายกรรมวจรสิริยาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ ด, ด้วยเหตุสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากเหตุเป็นไฉนโมหะที่สหรโคตด้วยวิจิกิจชา และโมหะที่สหระคตด้วยอุทัจจะทวิปัญจญวิญญาณมโนธาสตุ3อเหตุตุกะมโนวิญญาณธาตุ5รูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากเหตุ4เหตุุสเหตุกะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุเป็นชไไหนเหตุ2เหตุ3เกิดขึ้นร่วมกันในสภาวะธรรมใดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุและมีเหตุ สภาวะธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นไนกุศลในภูมิสี่อกุศลวิบากในภูมิสี่เว้นอเหตุกะจิตุบาตฝ่ายวิบากแห่งกรรมวจรอภยากตะกริยาในภูมิสามเว้นอเหตุกกะจิตุบาตฝ่ายกรรมวจรกิริยาเว้นเหตุทั้งหมดที่เกิดในจิตุบาทนี้แล้วสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุกล่าวไม่ได้ว่า เป็นเหตุมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุห้าเหตุตุเหตุุสัมปยุตตทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเป็นไนเหตุสองเหตุสามเกิดขึ้นร่วมกันในสภาวะธรรมใดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเป็นไงกุศลในภูมิสี่อกุศล วิบากในภูมิสเว้นอเหตุกะจิตุบาทฝ <ices> ่ายวิบากแห่งกลามวจรอัพยากตะกริยาในภูมิสเว้นอเหตุกกะจิตตุบาทฝ่ายกลางมวจรกริยาและเว้นเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจิตตุบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่วิปยุทธจากเหตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุทธด้วยเหตุหรือสัมปยุทธด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ หกเหตุเสตุกะทุกตะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเป็นไงกุศลในภูมิสี่อกุศลวิบากในภูมิสี่เว้นอเหตุกตะจิตตุบาทฝ่ายวิบากแห่งกลามวจรอพยากตะกิริยาในภูมิสามเว้นอเหตุกตะจิตตุบาฝ่ายกลามวจรกิริยาและเว้นเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจิตตุบาทนี้สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเป็นไนทวิปัญจวิญญาณมโนธาสามเอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุห้ารูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุสภาวะธรรมที่เป็นเหตุกล่าวไม่ได้ว่า UH, ไม่เป็นเหต <S <S <drop> ุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเหตุโ้อจกะจก ุตระทุกกะหนึ่งสัพจยะทุกกะสภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นไนกุศลในภูมิสี่อกุศลวิบากในภูมิสี่อภยากตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปัจจัยปรุงแต่งสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นไงนนิพพานสภาวธรรมนี้ชื่อว่าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งสอง สังคตะทุกกะสภาวะธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นไนอุสนในภูมิสี่อคุศลวิบากในภูมิสี่อพยากตะปริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมนี้ชื่อว่าถูกปัจจัยปรุงแต่งสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นไงนิพพานสภาวะธรรมนี้ชื่อว่าไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสาสงนิทัศนะทุกกะ สภาวะธรรมที่เห็นได้เป็นไนรูปายตนะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นได้สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เป็นไนจักขายตนะโพธพายาตนะภูสนในภูมิสี่อกุศลวิบากในภูมิสี่อภยากตะกริยาในภูมิสามรูปที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งนับหนึ่งในธรรมายตนะและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้ สั่สปฏิฆะทุกกะสภาวะธรรมที่กระทบได้เป็นไ น, นจากขายตนะโพธพายตนะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากระทบได้สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้เป็นไนกุศลในภูมิสี่อคุสุลวิบากในภูมิสี่อภยากตกริยาในภูมิสามรูปที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งนับหนึ่งในธรรมายตนะและนิพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้ห้ 5. รูปีทุกกะสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นไนมหาภูต ร, รูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูต ร, รูปสี่สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นรูปสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นไนกุศลในภูมิสี่อกุศลวิบากในภูมิสี่อภิญากตะกุริยาในภูมิสามและนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปหโลกิยะทุกกะสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นไงกุศลในภูมิสามอากุศลวิบากในภูมิสามอภพยากตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นโลกิยะสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นไนมรรคสี่ที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์สามัญญผลสี่และนิพาน สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นโลกุตระเจ็ดเนจิวินเยยะทุกกะสภาวะธรรมทั้งหมดชื่อว่าจิตบางดวงรู้ได้จิตบางดวงรู้ไม่ได้จุรันตระทุกกะจบ พระโคจกะหนึ่งอาสวะทุกะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นชนัยอาสวะสี่คือหนึ่งกรามาสวะสองผวาสวะสามทิฐาสวะสอวิชชาสวะกรามาสวะเกิดขึ้นในจิตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะแปดผวาสวะเกิดขึ้นในจิตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิประยุจจากทิฏฐิสี่ทิฐาสวะ เกิดขึ้นในจิตุบาทที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฐิสีอวิชชาสวะเกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นไนอกุศลที่เหลือเว้นอาสวะกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อัพยกะตะกริยาในภูมิสารูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอาสวะสองสาสวะทุกกะ สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไนกุศลในภูมิสามอกุศลวิบากในภูมิสามอภิญากตะกริยาในภูมิสามรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไนมัคสีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์สามัญผลสีและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ สอาสวะสัมปยุตตทุกกะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเป็นไนจิตุบาทที่สหรคตด้วยโทมานะสองเว้นโมหะเจตสิกที่เกิดขึ้นในจิตตุบาทนี้แล้วอกุศลที่เหลือเว้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาและโมหะที่สหรคตด้วยอุทจจะแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยอาสวะสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นไน โมหะที่เกิดในจิตุบาทที่สหรคตด้วยโทมณสสองโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและโมหะที่สหรคตด้วยอุทจักกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อัพยากตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากอาสวะสอาสวะสาสวะทุกกะ สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไนอาสวะเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นไนอกุสล์ที่เหลือเว้นอาสวะกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสามอภยากตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะ แ ต, ออออแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะหอาสวะอาสวะสัมปยุตตทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอาสะวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเป็นฉนหนอาสวะสองอาสวะสามเกิดขึ้นร่วมกันในสภาวะธรรมใดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่า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 อาสวะวิปยุตต์สาสวะทุ ก, กะสภาวะธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไนโมหะเกิดขึ้นในจิตุบาที่สหรโคตด้วยโทมณนะสองโมหะที่สหรโคตด้วยวิจิขิชาและโมหะที่สหรโคตด้วยอุทจักกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสามอพยากตะกิยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่า วิปยุติจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่วิปยุติจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นไนมรรคสี่ที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุขุกสามัญญผลสี่และนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุติจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่สัมปยุติด้วยอาสวะกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอาร <Pues S 1> <ไ>มณ์ของอาสวะ หรือวิปยุตจากอาสะวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะอาสะวะโคจกกะจบสสัญญยชนะโคจกกะหนึ่งสัญญยชนะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นไฉน สังโยชนิสิคือ 1. นรามราคะสังโยชน์ 2. ปฏิถะสังโยชน์ 3. มานะสังโยชน์ 4. ทิฏฐิสังโยชน์ 5. วิจิกิจฉาสังโยชน์ 6. กสีระปตะปรมาสสังโยชน์เจ็ราคะสังโยชน์แปดอิสาสังโยชน์เมัชยริยสังโยชน์สิบอวิชชาสังโยชน์ คามราค้าสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะ8ปฏิฆาสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตุบาทที่สหรคตด้วยโทมมนะสองมานะสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐีทิฏฐิสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตุบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐีวิจิกิชฌาสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตุบาทที่สหรฆดด้วยวิจิกิชฌาหนึ่ง สีและปะตะประมามาสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตุบาทที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐิสีภวะราคะสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตุบาตทีท่สหรคตด้วยโลภะที่วิปยุทธจากทิฏฐิสีอิจฉาสังโยชน์และมัจเริยสังโยชน์เกิดขึ้นในจิตุบาตที่สหรคตรด้วยโทมนะสองอวิชชาสังโยชน์เกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสังโยชน์ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นฉไนอกุศลที่เหลือเว้นสังโยชน์กุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อภพยากตะปริยาในภูมิสามรูปทั้งหมดและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นสังโยชน์สสัญโยชนิยทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นฉไนกุศลในภูมิสามอกุศลวิบากในภูมิสาม อพยกากตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของสังโยชน์สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไนมรรคสี่ที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุสามัญญผลสี่นิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สสัญโ ย, ย, ยชนะสัมปยุยตตะทุกกะสภาวธรรมที่สัมปยุตโ ด, ดยสังโยชน์เป็นไง อกุศลที่เหลือเว้นโมหะที่สหรคตด้วยอุทจจะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์สภาวะธรรมที่วิปยุทธจากสังโยชน์เป็นไนโมหะที่สหรคดด้วยอุทจักุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อภพยากตะกิริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุทธจากสังโยชน์สี่ สัญโยชนะสัญโยชนิยทุกะสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไนสังโยชน์เหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นไนอกุศลที่เหลือเว้นสังโยชน์ุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสามอภิญญตะกริยาในภูมิสามรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่า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 สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นไนอกุศลที่เหลือเว้นสังโยชน์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์สภาวธรรมที่วิปยุทธจากสังโยชน์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์หรือสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์หก สัญโยชนะวิปยุตตสัญโยชนิยทุกกะสภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นไนโมหะที่สหรฆดด้วยอุทจจะกุศลในภูมิสาวิบากในภูมิสามอภพยากตะปริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยต์สภาวธรรมที่วิปยุตจากสังโยต์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยต์เป็นไน มรรคสี่ที่ไม่นับเนื่องในวัตทุข์สามัญญผลสีและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยสังโยชน์กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือวิปยุจจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโ ย, ยชน์สัญญชนาโคจกะจก โคจกะหนึ่งคันธะทุ ก, กะสภาวะธรรมที่เป็นคันธะเป็นชนัคันธะสี่คือหนึ่งอภิชากายคันธะสองพยาปาทกายคันธะสศมสีปรปตะประมาจากายคันธะสี่อีทางสัจจาพินิเวศากายคันธะอภิชากายคันธะเกิดขึ้นในจิตุบาทที่สหรครด้วยโลภะแปดพยาปาทกายคันธะ เกิดขึ้นในจิตุบาทที่สหรคตรด้วยโทมานะสองสีและปะตะประมาสะกายคันทะและอีทางสัจจาพินิเวสะกายคันทะเกิดขึ้นในจิตุบาทที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฐิสี่สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นคันทะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นไงนอากุศลที่เหลือเว้นคันทะกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อภยากตะกริยาในภูมิสาม รูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นคันถะสองคันถะนิยทุกขะสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะเป็นไนปุศลในภูมิสามอากุศลวิบากในภูมิสามอพยากรตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของคันถะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะเป็นไน มรสีที่ไม่นับเนื่องในวัตทะทุกสามัญญผลสีและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของคันทะสาคันทะสัมปยุตตทุกกะสภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยคันทะเป็นไนจิตตุบาทที่สัมปยุต ด, ด้วยทิฏฐี 4, และจิตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐี 4, เว้นโลภะที่เกิดขึ้นในจิตตุบาทนี้จิตตุบาทที่สหรโคด้วยโทมานะสอง เว้นปฏิฆะที oh ah. ่เกิดขึ้นในจิตตุบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยคันทะสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากคันทะเป็นไนโลภะเกิดขึ้นในจิตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุทธ์จากทิฏฐีปฏิฆะเกิดขึ้นในจิตตุบาทที่สหรคตด้วยโทมนะสองจิตุบาตที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาจิตตุบาทที่สหรคตด้วยอุทจจะ อสนในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อพยากตะกริยาในภูมิสารูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากนนันทะสคันถะคันธนิยะทุกกะสภาวธรรมที่เป็นคันถะและเป็นอารมณ์ของคันถะเป็นฉชนะัยคันถะเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นคันถะและเป็นอารมณ์ของคันถะ สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเป็นไงอกุศลที่เหลือเว้นคันทะกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสามอพยากตะกริยาในภูมิสามรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะหรือเป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะ หคันทะคันทะสัมปยุตตทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะเป็นไนทิฏฐิและโลภะเกิดขึ้นร่วมกันในสภาวะธรรมเหล่าใดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเป็นไนจิตุบาที่สหรโคตด้วยโลภะแปดจิตตุบาที่สหรโคตด้วยโทมนาสอง เว้นคันธะที่เกิดขึ้นในจิตุบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะสภาวธรรมที่วิปยุทธจากคันธะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและสัมปยุทธ์ด้วยคันธะหรือสัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะหกคันธะวิปยุทธะคันธนิยทุกกะสภาวธรรมที่วิปยุทธจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นไฉน โลภะเกิดขึ้นในจิตตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุจจากทิฏฐีปฏิฆะเกิดขึ้นในจิตุบาทที่สหรคตรด้วยโวยทมนะสองจิตุบาทที่สหรค ต, ร ด, ร ต, ต, รคตรด้วยวิจิกิจชาจิตตุบาทที่สหรคตรด้วยอุทจจะกุศลในภูมิสาวิบากในภูมิสามภัพยากตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะ สภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะเป็นไนมรรคสี่ที่ไม่นับนืึกในวัตทุกข์สามัญญผลสี่และนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยคันทะกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะหรือวิปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะ คันทะโคจกกะจบโหโอคะโคจกกะหนึ่งโอคทุกกะสภาวธรรมที่เป็นโอคะเป็นไฉนและถึงเจ็ดโยคะโคจกกะหนึ่งโยคทุกกะ สภาวะธรรมที่เป็นโยคะเป็นไฉนละถึง8นิวรณโคจกะหนึ่งนิวรณทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นนิวรนเป็นไฉนนิวรนหกคือหนึ่งกามาฉันทานิวรนสองพยาปาทานิวรนสาถีนมิทานิวรนสีอุทจักขุข จ, จานิวรนห้วิจิกิจานิวรนหกอวิชานิวรณ์ กามะฉันทานิวร์เกิดขึ้นในจิตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะแปพยาปาทานิวร์เกิดขึ้นในจิตุบาตที่สหรคตด้วยโทมานะสองถีนมิทานิวร์เกิดขึ้นในอกุศลที่เป็นอสังขาริกอุทจจนิวร์เกิดขึ้นในจิตุบาทที่สห์รคตด้วยอุทจจะกุกุจานิวรเกิดขึ้นในจิตุบาตที่สหรคตด้วยโทมานะสอวิจิกิชานิวร์ เกิดขึ้นในจิตุบาทที่สะหระรโครด้วยวิจิกิจชาอาวิชานิวรณ์เกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นนิวรณ์สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นฉไหนอกุศลที่เหลือเว้นนิวรณ์กุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อภยากตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นนิวรณ์สอง นิวรณียทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นฉไนกุศลในภูมิสามอากุศลวิบากในภูมิสามอพยากตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณ์สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นฉไนมรรคสี่ที่ไม่นับนึงเนวะตัดทุก์สามัญญผลสี่และนิพาน สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์สนิวรณะสัมปยุตตทุกกะสภาวะธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยนิวรณ์เป็นไนจิตูบาที่เป็นอกุศลสิสองสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุต ด, ด้วยนิวรณ์สภาวะธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นไงกุศลในภูมิสวิบากในภูมิสี่อภยากตะกริยาในภูมิสารูปและนิพาน สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากนิวรณ์สนิวรณะนิวรณิรณยทุกละสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นฉไนนิวรณ์เหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นฉไนาอากุศลที่เหลือเว้นนิวรณ์กุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสาม อพยากตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ข อ, องนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็น น, น, นิวรณ์หนิวรณะนิวรณะสัมปยุตตทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นฉไน นิวรณสองนิวรณสาเกิดขึ้นร่วมกันในสภาวะธรรมเหล่าใดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นนิวรและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวร์แต่ไม่เป็นนิวรเป็นไนอกุศลที่เหลือเว้นนิวรสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยนิวร์แต่ไม่เป็นนิวรสภาวะธรรมที่วิปยุทธจากนิวรกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรและสัมปยุทธ์ด้วยนิวร์ หรือสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ 6. นิวรณะวิปยุตตะนิวรณิยทุกะสภาวะธรรมที่วิปยุตจากนิวรแต่เป็นอารมณ์ของนิวรเป็นไนกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสามอพยากตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากนิวร์แต่เป็นอารมณ์ของนิวร์ สภาวะธรรมที่ U, 1984, วิปยุจจากนิวรณและไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณเป็นไนมรรคสี่ที่ไม่นับเนื่งเมว่อวัตถุสามัญญผลสี่และนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากนิวรณและไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณสภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากนิวรณแต่เป็นอารมณ์ของนิวรหรือวิปยุจจากนิวรและไม่เป็นอารมณ์ของนิวรนิวรณะโกจกะ urpose. เกาปรมาสะโคจกะหนึ่งปรมาสสะุกกะสภาวะธรรมที่เป็นปรมาสเป็นไนทิฏฐิปรมาสเกิดขึ้นในจิตุบาทที่สังประยุทธ์ด้วยทิฏฐิสี่ 4. สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นปรมาส สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตเป็นไงนะอากุศลที่เหลือเว้นปรามาตกุศลในภูมิสี่ ว, วิบากในภูมิสี่อภยากตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นปรามาตส 2. ปรามัทธุกะสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตเป็นไนกุศลในภูมิสารรม 3, อากุศลวิบากในภูมิสามอภยากตะกริยาในภูมิสาม และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของปรมากสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรมากเป็นไนมรรคสี่ที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกสามัญญผลสี่และนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของปรมากสาปรมาสัมปรยุตตะทุกกะสภาวธรรมที่สัมประยุติด้วยปรมากเป็นไนจิตุบาที่สัมปะยุตด้วยทิฏฐสี <Mike S 2> เว้นปรามาทที่เกิดขึ้นในจิตุบาทนี้สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยปรามาสสภาวะธรรมที่วิปยุทธจากปรามาสเป็นไนจิตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุทธจากทิฏฐีจิตุบาทที่สหรคตด้วยโทมนาสองจิตุบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาจิตุบาทที่สหรคตด้วยอุทจจะปุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่ อพยากตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากปรามาศปรามาศกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุจด้วยปรามาศหรือวิปยุจจากปรามาศสีปรามาสปรามาทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นปรามาศและเป็นอารมณ์ของปรามาศเป็นฉไนปรามาศนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นปรามาศและเป็นอารมณ์ของปรามาศ สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตเป็นไงนอกุศลที่เหลือเว้นปรามาตกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสามอภิยากตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปามาตและเป็นอารมณ์ของปามาต หรือเป็นอารมณ์ของปรามาต์แต่ไม่เป็นปรามาต์หปรามาสวิปยุตต์ปราหมัตถทุกกะสภาวะธรรมที่วิปยุตจากปรามาต์แต่เป็นอารมณ์ของปรามาต์เป็นไนจิตุบาที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐีจิตุบาที่สหรคตด้วยโวยยทมนะสองจิตุบาที่สหร ค, คตด้วยวิจิกิจจาจิตุบาที่สหรคตด้วยอุทจักกุศลในภูมิสาม วิบากในภูมิสามอพยากตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุ์จากปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตสภาวะธรรมที่วิปยุ์จากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตเป็นฉะไหนมรรคสี่ที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกสามัญญผลสี่และนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาต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 หสารมณทุกะสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นไงอุปสนในภูมิสี่อคุศลวิบากในภูมิสี่และอัพยาคตกริยาในภูมิสาสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารับรู้อารมณ์ได้สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นไนรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารับรู้อารมณ์ไม่ได้ 2. จิตตุกกะ สภาวะธรรมที่เป็นจิตเป็นไฉนะจกขุวิญญาณโสตวิญ ญ, ญาณคาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นจิตสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นไฉนเะวทนาขันสัญญาขันสังขารขันรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นจิตสเจเจสิกาทุกกะ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 สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยจิตสภาวะธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นไนรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากจิตจิตกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยจิตหรือวิปยุตจากจิต 5. จิตตสังสัทธุกละสภาวะธรรมที่ระคนกับจิตเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขัน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารักคนกับจิตสภาวธรรมที่ไม่รักคนกับจิตเป็นไนรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่รักคนกับจิตจิตกล่าวไม่ได้ว่ารักคนกับจิตหรือไม่รักคนกับจิตหกจิตตสมุทฐา น, ฐานทุกกะสภาวธรรมทีท่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นไนเวทนาขนันสัญญาขนันสังขารขนันกายาวิญยัตและวจีวิญยัต หรือรูปแม่อื่นที่เกิดแต่จิตมีจิตเป็นเหตุมีจิตเป็นสมุฐานได้แก่รูปายตนะสัทธายตนะคันทายตนะระสาายตนะโพธายตนะอากาศะธาต์อโปาธาต์ละหุตารูปมุทุตารูปกรรมัญตารูปปุปัจยารูปสันตติรูปและตัววิริกราหานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีจิตเป็นสมุฐาน สภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นไนจิตรูปที่เหลือและนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเจจิตตสหภูตุกะสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันกายวิญยัติและวจีวิญญัติสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเกิดพร้อมกับจิตสภาวะธรรมที่มิ่งเกิดพร้อมกับจิตเป็นไน จิตรูปที่เหลือและนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเมื่อเกิดพร้อมกับจิต 8. จิตตานุปริวัติทุกขะสภาวะธรรมที่เป็นไปตามจิตเป็นไนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันกายวิญญาตและ ว, วจีวิญญาตสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นไปตามจิตสภาวะธรรมที่ไม่เป็นไปตามจิตเป็นไนะจิตรูปที่เหลือและนิพพาน สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นไปตามจิตเกจิตตสังจัตทสมุทฐานทุกกะสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นไนะเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมที่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นไนะจิตรูปและนิพาน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 สัญญาขันและสังขารขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตสภาวะธรรมที่ไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตเป็นไนจิตรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิต 12. องอาชะตึกะทุกกะ สภาวะธรรมที่เป็นภายในเป็นไนจากขายาตนะมนายตนะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายในสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกเป็นไนรูปายตณะธรรมายตนะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายนอกสิบสาอุปาทาทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทายรูปเป็นไนจากขายาตนะกาวริยการาหาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปาทายรูปสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นไงกุศลในภูมิสี่อกุศลวิบากในภูมิสี่อภยกตะกริยาในภูมิสามมหภูต ร, รูปสี่และนิพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทายรูปสิบสี่อุปาทินนทุกกะสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นไน วิบากในภูมิสามและรูปอันกรรมปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นไนกุศลในภูมิสามอกุศลอัพยากตะปริยาในภูมิสามรูปอันกรรมไม่ได้ปรุงแต่งมรรคสี่ที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุสามัญญผลสี่และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือมหานตระทุกกะจบสิบเอ็ดอุปาทานโคจักะหนึ่งอุปาทานทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นไนะอุปาทานสี่คือ 1. กามมปาทานสองทิฏฐุปาทานสาสีลปตุปาทานสอัตวาทุปาทานกามมปาทานเกิดขึ้นในจิตุบาตที่สหโรคตด้วยโลภะแปทิฏฐุปาทานสีลปตุปาทานและอัตวาทุปาทานเกิดขึ้นในจิตุบาตที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐีสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปาทาน สภาวะธรรมที่มีเป็นอุปาทานเป็นไ น, นอกุศลที่เหลือเว้นอุปาทานกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อภยากตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทานสองอุปาทานิยตุกะสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไนกุศลในภูมิสามอกุศลวิบากในภูมิสาม อพยากะตะ ก, กริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นฉไนมรรคสี่ที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์สามัญญผลสี่และนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสาอุปาทานะสัมปยุตตทุกกะสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นไน จิตตุบาที่เสหรคตด้วยโลภะสัมประยุทธ์ด้วยทิฐิี 4. จิตตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุทธ์จากทิฏฐี 4. เว้นโลภะที่เกิดขึ้นในจิตตุบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมประยุทธ์ด้วยอุปาทานสภาวธรรมที่วิประยุทธ์จากอุปาทานเป็นไนโลภะเกิดขึ้นในจิตตุบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุทธ์จากทิฏฐี 4. จิตตุบาทที่สหรคตด้วยโทมนะสอง จิตุบาที่สะหอรคคด้วยวิจิกิจชาจิตุบาที่สะหอรคคด้วยอุทจักุสลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อพยากตะกริยาในภูมิสามรูปและนิพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุ์จากอุปาทานสอุปาทานนะอุปาทานิยะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นฉไหน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 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป e e ็น <5. S 2> อารมณ์ของอุปาทานหรือเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานหอุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นไนทิฏฐิและโลภะเกิดขึ้นร่วมกันในสภาวะธรรมเหล่าใด สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นไนจิตุบาทที่สหรโคด้วยโลภะแปดเว้นอุปาทานที่เกิดขึ้นในจิตตุบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานสภาวธรรมที่วิปยุทธ์แจกอุปาทานกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทาน หรือสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน 6. อุปาทานวิปยุทธ์แต่อุปาทานิยะทุกกะสภาวะธรรมที่วิปยุทธ์จากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไนโลภะเกิดขึ้นในจิตุบาทที่สหครคตด้วยโลภะวิปยุทธ์จากทิฏีจิตุบาทที่สหครคตด้วยโทมานะสองจิตุบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา จิตูบาทที่ส ห, รรหร์รพด้วยอุทะจะปุสลในภูมิสาวิบากในภูมิสามอภยากตะกริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวะธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นฉไหนมรรคสี่ที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์สามัญผลสี่และนิพาน สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวะธรรมที่สัมปะยุด้วยอุปาทานกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือวิปยุจจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอุปาทานะโขชกกะจบ